ในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนตุลาคมที่แล้วมาข้าพเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความตายยังไม่หมดเพราะข้อความตามที่เทพเจ้าองค์หนึ่งได้อธิบายให้ฟังนั้นยังมีอีกหลายแง่ที่ควรจะทําความเข้าใจให้กระจ่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังจากตายและสภาพของจิตใจหลังจากตายประเด็นทั้งสองอย่างนี้มีข้อที่แตกต่างกันอยู่หลายอย่างท่านเกรงว่าคนที่ได้อ่านแต่ในตอนแรกที่เปรียบคนที่ ตายเหมือนกับผู้ที่ไปเมืองนอกนั้นอาจจะเข้าใจผิดและดำเนินชีวิตผิดผลที่ได้รับก็คือตายไปแล้วแทนที่จะสบายหรือมีความสนุกเพลิดเพลินต่างๆกลับจะต้องไปรับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นในตอนนี้ท่านจึงได้สั่งให้ชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ สภาพของชีวิตในโลกของโอปปาติกะเป็นผลที่เกิดจากวิบากโดยตรงข้อนี้จะต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างที่สุดเหมือนกับที่เรามองเห็นชัดว่าต้นไม้จะเกิดเป็นต้นอะไรสำคัญอยู่ที่มเมล็ดของมันสภาพของดินฟ้าอากาศเป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นแต่สำหรับการเกิดในโลกมนุษย์เราจะต้องทาความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกว่าโดยหลักทั่วไปแล้ว คนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยเหตุสามอย่างคือ 1. อาศัยพ่อแม่ฉะนั้นชีวิตที่เกิดมาจะต้องเป็นไปตามอิทธิพลของกรรมพันธ์ที่สืบต่อมาทางสายโลหิต 2. จะต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพราะเหตุที่ร่างกายประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะฉะนั้น สภาพของร่างกายจึงต้องเป็นไปตามกฎของวัตถุด้วย 3. ต้องอาศัยวิญ ญ, ญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ผสมเอาไว้แล้วเพราะเหตุที่วิญญาณของแต่ละบุคคลมีวิบากของความดีและวิบากของความชั่วติดตัวมาและวิบากอันนี้แหละคือตัวการสำคัญ ที่จะทำให้คนเราเกิดมามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวใครจะเกิดมาเป็นอย่างไรจะมีโชคชะตาวาสนาเป็นประการใดสำคัญอยู่ที่วิบากชีวิตของมนุษย์เป็นผลรวมที่เกิดมาจากเหตุสมประการดังที่กล่าวมานี้ฉะนั้นในการอธิบายถึงความเป็นไปของมนุษย์จะต้องอธิบายทั้ง3แง่จะไปอธิบายจากแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้ แต่สำหรับคนที่ตายแล้วไปเกิดในโลกของโอปปาติกะนั้นเรื่องกรรมมาพันธเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ตัดออกไปได้ชีวิตในโลกของโอปปาติกะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากอำนาจของวิญญาณหรืออำนาจของวิบากล้วนๆอย่าลืมว่าวิบากเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตไร้าสานึกการทำงานของวิบากเราควบคุมไม่ได้เหมือนกับเมื่อเรานอนหลับ ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมหรือบังคับว่าจะให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้และไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะฝันอย่างไรเมื่อหลับไปแล้วความฝันที่เกิดจะออกมาในรูปไหนก็สุดแล้วแต่นิสัยใจคอและประสบการณ์ต่างๆที่สะสมเอาไว้ถ้าหากว่าคนไหนเป็นคนที่มีนิสัยดีความรู้สึกชั่วร้ายในใจไม่มีความทุกข์ทรมานใจไม่มี ก็มักจะฝันแต่ในทางดีเสมอแต่สำหรับคนที่นิสัยไม่ดีมีความรู้สึกชั่วร้ายมีความทุกทรมานสะสมอยู่ในจิตใจมากก็มักจะฝันแต่ในทางร้ายในทานองเดียวกันคนเราเมื่อตายแล้วก็คล้ายกับนอนหลับแล้วฝันไปซึ่งสภาพของร่างกายและสภาพของสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นมาในรูปไหน จะดีหรือชั่วอย่างไรมันขึ้นอยู่กับวิบากใครๆไม่สามารถจะบังคับหรือกะเกณว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อันหนึ่งเนื่องจากสภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหลังจากตายนั้นขึ้นอยู่กับวิบากหรือสภาพของจิตใจที่สะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้ว คนไหนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าได้สะสมความดีเอาไว้มากคือเป็นคนมีคุณธรรมต่างๆมั่นคงหลายอย่างเช่นมีนิสัยซื่อสัตย์กระตันยูอดทนกล้าหาญเสียสละรู้จักปล่อยวางมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกนี้และโลกของโอปปปาติกะดีสำหรับคนประเภทนี้ในเมื่อตายไปแล้วทุกคนจะมีความสุขร่างกายที่เคยเจ็บป่วยหรือทรมาน จะไม่ติดตามไปถึงโลกหน้าเมื่อเขาเกิดใหม่ในโลกของอปปาติกะเขาก็จะมีร่างกายแข็งแรงสดชื่นเป็นปกติไม่มีความเจ็บป่วยหรือได้รับการทรมานตรงกันข้ามบุคคลที่ได้สะสมวิบาะของความชั่วไว้มากคือเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีหลายอย่างและในชีวิตประจำวันก็มักจะมีแต่ความทุกข์ทรมานทางใจเกิดขึ้นเสมอ เป็นคนยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับเรื่องตัวตนเรื่องทรัพสมบัติหรือเรื่องอื่นๆเหนียวแน่นปล่อยวางไม่ค่อยได้เวลาจะตายก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงสมบัติเป็นห่วงคนนั้นคนนี้เพราะปล่อยวางไม่ได้จิตใจเศร้าหมองและไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกหน้าแลชีวิตในโลกหน้าสำหรับบุคคลประเภทนี้ แม้ว่าเมื่อก่อนตายจะเคยทำบุญไว้หลายอย่างแต่ครั้นถึงเวลาตายจริงๆถ้าทำใจให้สบายไม่ได้ยังมีความกลัวความเป็นห่วงอะไรต่างๆอยู่หลังจากตายแล้วร่างกายที่เกิดใหม่จะอยู่ในสภาพไม่ผิดไปจากก่อนตายคือเคยเจ็บป่วยทรมานอย่างไรก็ยังจะเจ็บป่วยอยู่อย่างนั้น และถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนที่เปลี่ยนความนึกคิดความรู้สึกให้เป็นไปในทางที่ดีได้ยากเขาก็จะต้องทรมานอยู่ในสภาพของคนป่วยอย่างเดียวกับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์และโดยปกติแล้วมันทรมานยิ่งกว่าเมื่ อ, อยังอยู่ในโลกมนุษย์เสียอีกเพราะว่าสภาพของร่างกายสภาพของสิ่งแวดล้อมมันจะเกิดขึ้นตามความรู้สึกภายในได้ง่ายมากและจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นตลอดไป ในเมื่อยังเปลี่ยนจิตใจไม่ได้และก็เปลี่ยนได้ยากด้วยเพราะคนที่อยู่ในโลกของอบปปติกะนั้นถ้าหากจิตใจต่ำพื้นในทางดีมีน้อยสำหรับบุคคลประเภทนี้จะไม่ผิดอะไรกับบุคคลที่นอนหลับแล้วฝันร้ายตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นใครก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนฝันร้ายของเขาให้หายไปได้ถ้าฝันร้ายจะหาย ก็หายเพราะจิตใจของเขาเองกล่าวคือสภาพของจิตใจส่วนที่ดีถ้าหากมันเกิดขึ้นมาในตอนนั้นมันก็จะเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นฝันดีขึ้นมาได้และที่ข้าพเจ้าบอกว่าเปลี่ยนยากนั้นก็เพราะสภาพร่างกายของมนุษย์กับของอบปปาติกาไม่เหมือนกันคือร่างกายของมนุษย์มีเวลาที่จะตื่นได้ง่ายเป็นต้นว่า นอนไปนานๆก็จะรู้สึกเมื่อยหรือหิวหรือแม้เช่นนั้นสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นเสียงดังหรือมีคนมาเขย่าตัวก็จะทำให้เขาตื่นขึ้นมาได้โดยไม่ยากนักแต่ร่างกายของโอปปาติกับเป็นร่างกายที่ขึ้นอยู่กับจิตใจโดยตรงประสาททุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจิตใจถ้าจิตใจยังอยู่ในสภาพอย่างไรร่างกายมันก็คล้อยตามหรือเป็นไปตามสภาพของจิตใจ ใครๆไม่อาจทำให้เขาตื่นหรือทำให้เขารู้สึกขึ้นมาได้นอกจากความรู้สึกภายในบางอย่างมันจะปรากฏขึ้นมาและทำให้เขาตื่นขึ้นมาด้วยเหตุนี้หละคนบางคนจึงตกนรกอยู่นานหรือได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นานและบางคนก็อยู่ในสวรรค์นานแสนานานจนลืมโลกมนุษย์ ชีวิตในโลกของโอปปปาติกะเมื่อพูดถึงในส่วนดีก็ดีอย่างมากมายเทียบกับมนุษย์ไม่ได้เลยและเมื่อพูดถึงส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีอย่างมากเหมือนกันขอให้จำหลักไว้ให้ดีว่าในโลกของโอปปปาติกะทุกอย่างเกิดมาจากวิบากเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ทำความดีไว้มากพื้นเดิมเป็นคนมีจิตใจสูงและเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางบุคคลประเภทนี้เวลาตาย แม้จะได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บหรือจากอุปัวะเหตุหรือจากสัตว์ ร, ร้ายหรือจากเหตุไรก็ตามขอให้จาไว้ให้แม่นทีเดียวว่าความเจ็บป่วยทรมานทางร่างกายนั้นถ้ามันมีสาเหตุมาจากทางร่างกายหรือทางวัตถุภายนอกโดยตรงแล้วความทุกข์ทรมานที่ว่านี้มันจะไม่ติดตามไปถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะดับจากโลกมนุษย์ความทุกข์ทรมานทางร่างกายนั้น มันจะสิ้นสุดลงในเมื่อประสาท ต, ต่างๆเริ่มเสื่อมและหมดประสิทธิภาพขอให้เข้าใจว่าคนบางคนที่เราเห็นว่าเขาทุกขทรมานแต่ไม่รู้สึกตัวนั้นเราก็สันนิษฐานเอาว่าเขาคงจะเจ็บป่วยทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เรานึกก็ได้ คนไหนที่เคยเจ็บป่วยถึงขนาดสลบทุกคนก็จะรู้ว่าพอสลบแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บป่วยและในระหว่างที่สลบไปนั้นทุกคนจะต้องฝันอันนี้เป็นกฎที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยสำหรับปุถุชนเป็นแต่บางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็จำไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าตนไม่ได้ฝัน บางคนก็ฝันดีสนุบสนานเพลิดเพลินต่างๆแต่บางคนก็ฝันไม่ดีมีแต่เรื่องร้ายๆทำให้เกิดความทุกข์ทรมานความสุขหรือความทุกข์ในความฝันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากร่างกายแต่เกิดขึ้นจากสภาพของจิตใจอันหนึ่งคนบางคนที่สลบไปหรือบางคนก็อาจจะตายไปชั่วคราวบุคคลประเภทนี้ตื่นขึ้นมาแล้ว เขาก็จะเล่าถึงเรื่องต่างๆที่เขาเห็นมาอันที่จริงเรื่องที่เล่ากันในลักษณะนี้มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่หนึ่งเป็นภาพจินตนาการเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วก็ฝันไปประเภทที่สองสิ่งต่างๆที่เขาไปเห็นมานั้นเขาไม่ได้นึกไม่ได้เกิดจากความนึกคิดของเขา แต่เป็นสภาพในโลกของโอปปาติกบที่เขาไปเห็นมาแต่อย่างไรก็ดีโดยปกติแล้วคนที่สลบไปก็ดีหรือที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกก็ดีเรื่องต่างๆที่เขาไปเห็นมานั้นมักจะปนกันคือมีทั้งเรื่องที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นเป็นมโนภาพไม่ใช่ของจริงและก็มีทั้งเรื่องจริงๆปะปนอยู่ด้วยและส่วนมากก็จะแยกไม่ออกว่า ตอนไหนเป็นเรื่องไม่จริงตอนไหนเป็นเรื่องจริงคนที่สลบไปหรือตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาจะเล่าเรื่องได้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อคนนั้นพื้นจิตใจของเขามีสมาธิดีมีความสงบและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนไม่มีอุปาทานในสิ่งต่างๆเป็นคนไม่ชอบฝันหรือสร้างวิมานในอากาศซึ่งคนประเภทนี้หายากเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่ากันในทํานองนี้ จึงเชื่อยากอันหนึ่งท่านได้เตือนเอาไว้ว่าเพราะเหตุที่สภาพของชีวิตหลังจากตายเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากโดยตรงและวิบากอันใดก็ตามที่จะสร้างผลงานของมันออกมาได้อย่างแท้จริงนั้นต้องมีเวลาสะสมอย่างเพียงพอหรือต้องมีความเข้มข้นอย่างเพียงพอเหมือนกับผลไม้ถ้ายังไม่สุกแก่เต็มที่ ก็ไม่อาจที่จะงอกขึ้นเป็นต้นได้แล ะ, มะเมล็ดผลไม้กว่าจะเกิดขึ้นและสุกแก่เต็มที่นั้นมันต้องใช้เวลามากหรือน้อยก็สุดแล้วแต่จะเป็นพืชชนิดไหนวิบากต่างๆที่สะสมอยู่ในสันดานจะผลิตผลออกมาเมื่อไรจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะมีผลยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืน ย่อมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของวิบากที่สะสมมาเพราะฉะนั้นใครๆอย่าได้เข้าใจเป็นอันขาดว่าในขณะนี้ซึ่งเรายังอยู่ห่างไกลจากความตายเราก็ปล่อยตัวไปตามอารมณ์อยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากจะทำอะไรก็ปล่อยตัวไปตามใจปรารถนาและคิดเอาไว้ว่าเมื่อเราแก่หรือใกล้จะตายเราจึงค่อยคิดสะสมความดี สำหรับคนที่คิดอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทชะล่าใจเกินไปเพราะโดยธรรมดาคนเราอาจจะตายวันไหนก็ได้ไม่มีใครรู้แน่แล้วเราจะไปกลับตัวเอาในขณะที่จวนจะตายก็อาจจะได้คือตั้งใจเลิกจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆและก็เลิกได้จริงๆแต่วิบากของความชั่วที่สะสมมาหลายปีซึ่งมันยังฝังอยู่ในสันดาน ล, ละ่ะเราไม่ต้องรับผิดชอบอย่างนั้นหรอ ในเมื่อเราสะสมมานานและเราก็ทำมาด้วยความพอใจวิบากมันก็ต้องเข้มข้นมีอํานาจบรรดาลสูงเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นการยากที่เราจะหลบหลีกจากผลของวิบากซึ่งมันจะต้องเกิดอย่างแน่นอนอย่าลืมว่าวิบากคืออํานาจสร้างสรรหรืออํานาจบรรดาลซึ่งมีอยู่ในจิตไร้าสานึก เราควบคุมมันไม่ได้มันทำงานโดยอัตโนมัติขอให้ท่านลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันสัตว์บางประเภทในโลกนี้เช่นเสือหรือเหยี่ยวหรือสัตว์อะไรก็ตามอวัยวะบางอย่างของมันเช่นเขี้ยวเล็บปากอะไรเหล่านี้เป็นต้นคนที่ไม่รู้ความจริงก็บอกว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างเล็บมาอย่างนั้นสร้างเคี้ยวออกมาอย่างนั้นสร้างปากออกมาอย่างนั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำรงชีวิตแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าเสือก็ดีเหียวก็ดีมันไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่ามันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้และทําไมจึงต้องมีถ้าสมมุติว่ามันไม่อยากจะมีมันอยากจะให้มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์อื่นที่มันชอบมันก็เป็นไปไม่ได้ ในเมื่อวิบากของความเป็นเสือวิบากของความเป็นเหยียวยังไม่หมดไปจากสันดานข้อนี้ฉันใดสภาพแห่งร่างกายของเราซึ่งจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจะมีบุคลิกลักษณะอย่างไรไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรทําให้มันเกิดมาและทำไมจะต้องเกิดแต่สาหรับคนที่เข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้ง เขาก็จะตอบได้ทันทีว่านั่นมันสุดแล้วแต่วิบากของแต่ละบุคคลชีวิตในโลกมนุษย์นี้ย่อมเป็นไปตามวิบากฉันใดชีวิตในโลกของโอปปาติกะก็ย่อมจะเป็นไปตามวิบากฉันนั้นแต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือผลของวิบากในโลกของโอปปปาติกะนั้นรุนแรงกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่า เพราะสภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปปปาติกะนั้นขึ้นอยู่กับวิบากโดยตรงส่วนชีวิตของมนุษย์สภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั้นยังขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของวัตถุผลของวิบากจึงไม่รุนแรงหรือรวดเร็วเท่ากับในโลกของโอปปปาติกะเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า คนที่โดยปกติได้ทำบุญอยู่เสมอย่อมบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือในโลกนี้ก็บันเทิงใจละจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงใจและทุกครั้งที่นึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบุญไว้ก็บันเทิงใจและเมื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วย่อมบันเทิงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคนที่โดยปกติทำบาปอยู่เสมอ ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือในโลกนี้ก็เดือดร้อนหละจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนและทุกครั้งเมื่อนึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบาปไว้ก็เดือดร้อนและเมื่อไปสู่ทุกขติอบายภูมิแล้วย่อมเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จำไหมหเธอเมื่อละฟฝันประจำทุกค่ำคืนแต่ฝันดีก็สมงวังแต่ผิดหวังก็ทรมานกับภาพมายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลกที่เธอเป็นมันคล้ายแลต่างกันอย่างไรรู้สึกบไง่นหัายไมีเธออีกคน รงหนึ่ง น, นอนหลับไหกับอีกร่างกายที่ในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนดืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวที่ในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูสับซอนแต่ความจริงมันคือผล้าดใจเธอที่เธอจริง เป็นแค่ภาพจำลองของใจดีหรือร้ายซ่อนเอาไว้คงทำไม่ได้รู้สึกย่างไปตากดความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตาอย่างนี้ทุกสุขใจสุขกายเหมือนกัน ไเธอทุกคืนเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเอง Can't.